เวลาเราอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจนะสบายตาด้วยเพราะว่าสีเขียวนี่มันดีต่อใจดีต่อกายจริงเนี่ยนอกจากสบายตาสบายใจแล้วเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีเขียวก็ยังช่วยทำให้สุขกายด้วยนะสุขกายนี่รวมถึงว่าความเจ็บป่วยเนี่ย มีโอกาสเกิดขึ้นในน้อยลงอย่างก็พบว่าเนี่ยในประเทศฮอลแลนด์ Holland เนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่หลัศมีหนึ่งกิโลเมตรนะรอบพื้นที่สีเขียวเนี่ยโรคที่เกิดขึ้นกับคนเมืองอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคคืดโรคไมเกรนโรคซึมเศร้าเนี่ย เกิดขึ้นมากนะคนที่อยู่ในเมืองแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่รอบพื้นที่สีเขียวเนี่ยเขาจะเกิดโรคประเภทเหล่านี้น้อยลงประโยชน์ในทางสุขภาพมีมีเยอ ะ, อะและเมื่อเร็วๆนี้เขาพบว่าคนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยเซลล์เนี่ยในร่างกายมันจะแก่ช้าลงด้วยนี่เป็นข้อมูลใหม่นะ เซลล์ในร่างกายแก่ช้าลงซึ่งอาจเป็นเหตุเพราะว่าทําไมจึงเป็นโรคต่างๆน้อยนะโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือว่าโรคห่นไหลเกรลมพวกนี้อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากาการที่เซลล์ในร่างกายของเรามันแก่ช้าลงเซลล์ของเราเนี่ยรวมทั้ง เอาไว้ต่างๆในร่างกายเราเนมันก็มีอายุไขของมันนะแล้วก็มันก็มีความแก่เป็นธรรมดาแต่เพราะเพราะว่าเนี่ยถ้าอยู่ในหรือใกล้ๆพื้นที่สีเขียวเช่นสวนสาธารณะหรือป่าเนี่ยเซลล์มันจะแก่ช้าลงเขาดูยังไงนะเขาก็ดูจากมีสารชนิดหนึ่งนะที่มัน พุ่มอยู่ปลายโครโมโซมในเซลล์ในเซลล์เรามันมีโครโมโซมนะซึ่งเป็นตัวกําหนดนะพันธุกรรมคนเรารวมทั้งการแบ่งตัวด้วยโครโมโซมเนี่ยของคนเราเนี่ยมันจะมีเปลือกพุ่มเ้าเรียกว่าเทโลเมียและเวลาแบ่งตัวเนี่ยเซลล์แบ่งตัวแบ่งตัวไปแบ่งตัวไปเนี่ยแบ่งไปแบ่งไปในเทโลเมียมันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลง ถึงจนหนึ่งเนี่ยถ้าสั้นมากๆนี่ก็แบ่งตัวไม่ได้แบ่งตัวไม่ได้ก็แปลว่าแก่เป็นเซลล์ที่แก่และเซลล์ถ้าแก่มากๆนะหรือว่าสะาสมในร่างกายมากๆนี่ก็จะป่วยนั่นป่วยนี่รวมทั้งเป็นมะเร็งด้วยแต่ก็พบาว่าเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยเทโลเมียร์นี่มันจะยาว มันจะยาวกว่าเซลล์ของคนทั่วไปก็หมายความว่ายังแบ่งตัวได้เรื่อยๆแบ่งตัวได้นานกว่าแบ่งตัวได้นานกว่าก็แปลว่าแก่ช้ากว่าถ้าผู้หญิงนี่คือว่าก็ยังหนุ่มยังสาวหรือว่ายังกระชุ่มกระชั่วอยู่เสมอคนเอืนนี่เซลล์มันแก่ไปแล้วแต่คนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยเซลล์ก็ยังไม่แก่เพราะยังแบ่งตัวได้เรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่นะที่อาจจะอธิบายได้ว่าทำไมอยู่ในพื้นที่สีเขียวอยู่ในสวนอยู่ใกล้สวนนี่สุขภาพจึงดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเราเนี่ยรู้จักนะพาตัวไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวอยู่ใกล้สวนสาธารณะหรือว่าท้าดีก็ทำให้พื้นที่รอบบ้านเราเนี่ยมันมีสีเขียวมีต้นไม้ แม้แต่พุ่มไม้ก็ยังดีนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยนะอย่างน้อยมันก็ยังช่วยลดมดลภาวะได้เดี๋ยวนี้เราก็ทราบแล้วนะมละภาวะเนี่ยโดยเฉพาะพีเอสองจุดห้าเนี่ยโอ้มันสร้างปัญหากับสุขภาพคนเรามากถ้าต้นไม้เนี่ยโดยเฉพาะต้นไม้สูงสูงเนี่ยนะมันก็ช่วยกรองพวกฝุ่นพีเอมสองจุดห้า หรือว่าสารพิษต่างๆที่ปรับปนอยู่ในอากาศได้และตัวมันเองเนี่ยก็ทำให้สุขภาพการคนได้ดีนะดีจกนกระทั่งสามารถจะมีอายุยืนยาวขึ้นได้เจ็บป่วยน้อยลงแต่แล้วก็ตามนี่ร่างกายคนเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับจิตใจด้วย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นพื้นที่สีเขียวมีความสงบสงัดเป็นรมณีนะแต่ว่าถ้าจิตใจเนี่ยมีความเครียดมีความกัดกรุ่มหรือชอบคิดลบมองลบเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะเพราะว่าพอจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจเครีย กลุ่มบ อ, อกกลุ่มใจไม่รู้จักปรู้จักวางนี่ร่างกายมันก็แย่หลงแดงงาเ่นความดันขึ้นต่อไปก็จะเป็นโรคหัวใจในทางตรงข้ามเนี่ยแม้ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันมีต้นไม้น้อยไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะแต่ว่ารู้จักรักษาใจให้สดชื่น รู้จักปล่อยรู้จักวางมีสติมีความรู้สึกตัวฝึกจะให้มีสมาธิอยู่เสมอรู้จักมองบวกมันก็ช่วยทําให้สุขภาพกายดีขึ้นได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีพื้นการอยู่ในพื้นที่สีเขียวมันยังไม่ใช่เป็นหลักประกันนะว่ า, าจะมีสุขภาพดีได้มันขึ้นอยู่กับสุขภาพใจด้วยแล้วก็มันก็มีการ วิจัยค้นพบนะว่าเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวก็จริงนะแต่ถ้าเป็นเขตที่ยากจนรายได้น้อยหรือเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันมีการทะเลาะเบาอแววงกันมันก็ไม่ช่วยทำให้เซลล์นี่แก่ช้าลงน ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เขาเชื่อเห็นว่าเนี่ยสิ่งแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็มีส่วนนะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนีด่ดีแต่ว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมเช่นความยากจนการเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนหรือการปัดแย้งกันทะเลาะวิวาทกันจริงๆความยากจนมันก็ไม่มีผลมากนะถ้าหากว่าใจิตใจเนี่ยไม่เครียดไม่วิตกกังวล แต่ถ้าจิตใจเราเครียดสักอย่างนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีร่างกายมันก็ดีขึ้นด้วยยากนะเพราะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาใจนี่ก็สำคัญเหมือนกันอากาศรอบตัวเราอาจจะมีมลพิษน้อยแต่ว่าในใจเรามีมลภาวะเยอะนะเช่นความโกรยความเศร้าความเครียดความวิตกกังวลเพราะว่าชอบมองลบ หรือว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตไปพววงกับเรื่องอนาคตแบบนี้มันก็ทําให้ใจิตใจไม่ใช่แค่แย่ยงเดียวนะร่างกายก็แย่ด้วยแล้วมันก็คงจะมีผลไปถึงระดับเซลล์ด้วยนะเพราะว่าเขาก็พบว่าเนี่ยพื้นที่สีเขียวอยู่ในพื้นที่สีเขาก็กจริงนะแต่ว่าถ้าเขตที่มันมีความไม่สงบมีการรังเกียจเดียด์รังเกียจเดียดฉันกันเซลล์ก็ ไม่ใช่ว่าจะแก่ช้าลงเลยนะก็เหมือนคนทั่วไปอันนี้มันแสนาเหตุหึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับร่างกายงั้นทําใจให้ดีนะรู้จักรักษาใจนะรู้จักมองบวกมีสติมีความรู้สึกตัวไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนะี่ยร่างกายมันก็จะอดีขึ้นได้เพราะว่าใจเนี่ยนะมันสัมพันธ์กับกายมาก